เขียนมาถึงตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันที่ควรจะนำมาลงเพื่อท่านผู้อา่านได้พิจารณาตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วในวงพระทุดงซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นผู้หนึ่งเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้เที่ยวทุดงไปฟากแม่น้ำโขงทางฝั่งประเทศลาวกับตาประขาวคนหนึ่งขณะนั้นท่านพักอยู่ในเงื้อผาแห่งหนึ่งตาประขาผู้ถือศีลแปด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 มีหมู่บ้านประมาณ15บห้าหลังคาเรือนเฉาบ้านเองก็ไม่มารบกวนให้ลำบากและเสียเวลาบำเพ็ญเพียรต่างคนต่างทำธุระหน้าที่ของตนไปตามเรื่องวันหนึ่งตอนบ่ายท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวพิกลพอตาประขาวมาหาที่พักท่านจึงสั่งให้แกไปต้มน้ำร้อนมาผสมกับยาชันทดลองดูบ้างบางทีอาจหายได้ เพราะยาที่ติดตัวไปนั้นหมอเขาบอกว่าเป็นยาแก้ไข้ป่าได้ด้วยท่านเองเกรงจะเป็นไข้ป่ากับเขาเนื่องจากที่นั้นไขป่าชุมและคนก็เป็นไข้ป่ากันมากเพราะแถวนั้นเป็นป่าทึบมากคนแถวทุ่งทุ่งไปอยู่ไม่ได้ที่นั้นเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสืออนานาชนิดกลางคืนเสียงร้องอึกกระทึกคลึกโครม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 ท่านคิดว่าตาประขาวอาจจะลืมไปเมื่อนั่งภาวนาเพลินๆ เ, เลยทอดธุระอาการไข้ก็ค่อยเบาบางลงและหายไปในที่สุดส่วนตาประขาวเมื่อเอาการน้ำไปแล้วก็เตรียมก่อไฟแต่ก่อเท่าไหร่ไฟไม่ติดเลยเกิดโมโหขึ้นมาจึงลืมว่าตนเป็นตาประขาวลูกศิษย์พระกรรมฐานองค์สาคัญอุปบับลุกขึ้น ร้อมกับความโมโหว่าไฟนี้เราเคยก่อมันมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ทำไมก่อไม่ติดไฟนี้ต้องการน้ำหรืออย่างไรถ้าต้องการน้ำเราก็จะให้น้าว่าแล้วก็ยืนปัสสาวะ ร, รถลงที่กองไฟจนเปียกหมดแล้วก็เดินหนีไปเงียบไม่มาบอกอาจารย์ที่คอน้ำร้อนอยู่แต่วันจนค่าเลยพอตกกลางคืนเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น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 ขณะที่นั่งรำพึงโทษของตัวอยู่อย่างกระวนกระวายเสียงที่ไม่คาดฝันก็ได้ดังขึ้นข้างมุ้งด้านหลังห่างกันไม่ถึงวาเลยเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งใหญ่หลยพาดกลอนที่กำลังหมอบหันหน้าตาจ้องมองมาทางตาประขาวราวกับจะโดดตะครุบกินเป็นอาหารในขณะนั้นพร้อมทั้งเสียงกรวนครางเบาๆพอเป็นการทดลองความเก่งกาจแห่งความโมโหของลูกศิษย์กรรมฐาน ขนาดพอให้ได้ยินไปถึงอาจารย์ที่อยู่เงื้อมผาทางโน้นขณะที่กาลังครวนครางนั้นทั้งเอาหางฟาดลงพื้นดินดังตุ๊บตุทั้งเสียงครางเบาๆทั้งแสดงท่าขยับหน้าและถอยหลังทําท่าจะตะครุบตาปะขาวเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้จงได้พอตาปะขาวได้ยินเสียงประหลาดซึ่งไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาดนั้น นับแต่มาอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหลายเดือนก็ตกใจกลัวรีบหันหน้าไปดูทันทีระยะนั้นเดือนกำลังหงายเต็มที่ก็ได้เห็นเสือโครงใหญ่เหมอะจ้องมองทำท่าอยู่อย่างชัดเจนตาประขาวกลัวตัวสัน่นราวกับจะสลบไปในขณะนั้นคิดอะไรไม่ทันใจหันเข้าพึ่งพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่ฝากเป็นฝากตาย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 อย่าถึงกับเสือต้องกินเป็นอาหารเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั่นเลยทั้งบนทั้งบนทั้งบริการพุทโธ ท, ทั้งสันทั้งกลัวทั้งหันหน้าจ้องมองเสือกลัวมันจะมาตะครุบไปกินเส้นในขณะนั้นเสือพอมองเห็นคนหันหน้ามาจ้องมองก็ทาเป็นถอยห่างออกไปบ้างเล็กน้อยและทาเสียงครวนครางไม่ลดละจักประเดี๋ยก็เปลี่ยนท่าเข้ามาทางใหม่ และถอยออกไปขยับเข้ามาอยู่ทํานองนั้นส่วนตาปลาขาวเลยจะตายทั้งเป็นที่ต้องหันรีหันขวางไปตามเสือที่ยักย้ายเปลี่ยนท่าต่างๆไปมาอยู่รอบๆมุงไม่ลดละพอคนตั้งท่าจ้องมองหนักเข้าก็ถอยห่างออกไปบางครั้งทาท่าเหมือนจะหนีไปจริงๆโดยทาเป็นถอยออกไปห่างๆพอคนเผลอนิดก็ขยับเข้ามาเกือบถึงตัว พุโทโธกับใจปราศจากกันไม่ได้ต้องท่องจนติดใจยึดไว้เป็นหลักประการชีวิตอยู่ตลอดเวลาพอพุโทโธห่างบ้างทีไรเสือเป็นต้องขยับเข้ามาทุกทีเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รี บ, บริการพุโทโธและวิงวอลให้พุโทโธช่วยชีวิตไว้พอพุโทโธสนิทกับใจเสือก็ถอยห่างออกไปราวกับจะหนีไปจริงๆ แต่นิสัยคนเราชอบบังคับประจำสันดานฉะนั้นพอเสือถอยออกห่างบ้างพุโทโธก็เริ่มห่างจากใจคิดว่าตัวจะไม่ตายป่ายเสือก็เริ่มขยับเข้ามาและทําท่าจะตะครุปอยู่ทํานองนั้นแต่ก็ไม่ทําไม่เป็นแต่เปลี่ยนทิศทางเข้ามาทางนั้นบ้างทางนี้บ้างไม่ลดละความเพียรพยายาม ระหว่างเสือกับตาปะขาวเป็นสงครามกันอยู่โดยต่างฝ่ายต่างไม่ลดราวาสอกให้แก่การเลยนั้นเริ่มแต่เวลาสามทุ่มจนสว่างน้ำตาตาปะขาวที่ไหลรินอยู่ตลอดเวลาเพราะความกลัวตายนั้นแต่ขณะแรกถึงสว่างคาตาจนไม่มีอะไรจะไหลพอสว่างเสือก็ค่อยค่อยถอยห่างออกไปออกไปประมาณสี่วา แล้วก็ค่อยๆเดินหลบฉากห่างออกไปโดยลำดับจนพ้นสายตาพอเสือพ้นไปแล้วตาปะขาวยังตั้งท่าระวังอยู่ในมุ้งอีกนานไม่กล้าออกมากลัวว่ามันจะแอบซุ่มอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงนั้นเวลาคนเผลอตัวออกจากมุ้งมันจะกระโดดออกมาคาบกินไปเสียจำใจต้องนั่งรอดูเหตุการณ์อยู่ในมุ้งเป็นเวลานาน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 แทบเอาชีวิตไว้ไม่รอดถวายท่านทุกประการแต่แทนที่ท่านจะงดโทษให้ในทันทีทันใดท่านกลับพูดทำท่าขูเข็นเพิ่มความเข้าอีกว่าถ้าแกชอบสิ่งใดแกก็เจอสิ่งนั้นชอบดีก็เห็นของดีชอบชั่วก็เห็นของชั่วนี่แกชอบเสือแกก็ได้เจอเสือและจะมาขอกมาโทษกับเราเพื่อประโยชน์อะไร เรายัางอดโทษให้แกไม่ได้อย่างน้อยแกก็ควรได้พบของดีที่แกชอบอีกสักคืนหนึ่งถ้าไม่ตายเพราะเสือกินก็ให้ได้ที่ระลึกไปนานๆบ้างเสือมันยังดีกว่าอาจารย์อาจารย์ก็จะมอบให้เสือเป็นผู้อบรมสั่งสอนต่อไปว่าอย่างไรจะมอบให้เสือในคืนวันนี้ถ้ามันสอนไม่ฟังก็จะมอบให้เป็นอาหารของมันไปเสียรู้แล้วรู้รอดไปอีกเกียรติสั่งสอน ว่ายังไงจะเอาไหมพี่เจอเสือและฟังเทศเสือทั้งคืนนั้นเหมาะกับเหตุดีแล้วคืนนี้จะให้มันมาสอนอีกถ้ายังขืนเก่งอยู่อีกก็จะมอบให้เป็นสเสบียงเดินทางของมันไปเสีอมันคงสบายท้องไปหลายวันจะเอาอย่างไหนดีรีบตอบมาอย่ามัวชักช้าอาจารย์กับเสือใครจะดีกว่ากันเอาตอบเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าอยู่เดี๋ยวจะบอกให้เสือมารับตัวไปใช้สอยเดี๋ยวนี้ จะดีกว่าอาจารย์ใช้เป็นไหนไหนว่าแล้วก็ทําเป็นเชิงตะโกนเรียกเสือว่าเสือตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนเวลานี้ไอ้รีบมารับเอาตัวตาประขาวไปอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้อาจารย์มอบตาประขาวคนนี้ให้เป็นลูกศิษย์ของเสือแล้วรีบมารับเอาไปเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าเลยตอนนี้ตาประขาวร้องไห้โหยยังไม่เป็นท่าและขอร้องอาจารย์ว่ากระผมเข็ดแล้วขอท่านอย่าได้เรียกมันมากระผมจะตายขณะนี้อยู่แล้ว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 ทั้งยอมเห็นโทษที่ทำผิดแล้วจะสํารวมระวังต่อไปทั้งปฏิญาณตนด้วยความเข็ดหลาบต่อหน้าท่านว่าจะไม่ทําอย่างนั้นอีกต่อไปทั้งร้องขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้พอเห็นเป็นการอันควรแล้วท่านจึงรับขมาโทษและอบรมสั่งสอนต่อไปและพูดปลอบโยนต่างๆว่าที่เสื่อมานั้นไม่ใช่อะไรอื่นพาให้มา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 ใครจะมาลบล้างธรรมะทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากรรมอยู่ใต้อำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดได้แล้วผู้มีอำนาจนั้นจะต้องลบล้างกรรมเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกนานแล้วไม่สามารถยังเหลือมาถึงพวกเราเลยเท่าที่กรรมดีชั่วยังมีอยู่ก็เพราะกรรมมีได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ทากรรมนั้นๆเท่านั้น นี่ก็แกทำกรรมชั่วไว้เมื่อบ่ายวานนี้แกก็ต้องเห็นกรรมชั่วของแกเองแต่แกยังไม่ยอมเห็นโทษของตัวก็แน่ทีเดียวในคืนวันนี้พยากรรมตัวลายพาดกรอนจะมาตามเอาตัวแกไปดูผลของกรรมให้ประจักษ์กับตัวเองพออบรมเสร็จแล้วก็บอกให้เธอกลับไปที่พักตามเดิม แต่ตาปะขาวคนนั้นไม่ยอมไปกลัวว่าเสือตัวนั้นจะแอบมาโดดคาบเอาไปกินเป็นอาหารอีกท่านต้องขู่้วยอุบายให้กลัวอีกครั้งว่าก็เมื่อกี้นี้ก็ว่ายอมเห็นโทษเห็นความดื้อดึงของตัวว่าจะไม่ทำอีกแต่พูดยังไม่ขาดคาทำไมจึงแสดงความดืดด้านขึ้นมาอีกเล่าถ้าอย่างนั้นก็จงดื้ออยู่ที่นี่หากจะทนต่อเสือตัวนั้นได้จริงๆ พอพูดจบคำท่านก็เรียกหาเสือตัวนั้นมาอีกว่าเสือตัวเป็นอาจารย์ของตาประขาวคนนี้ไปไหนเสียรีบกลับมารับตาประขาวผู้ดื้อด้านเนี่ยไปอบรมให้หน่อยเถอะเราเบื่ออบรมจะตายอยู่แล้วเียรีบมาเร็วๆหน่อยพอพูดจบคำตาประขาวร้องไห้ขึ้นอีกพร้อมรับคำว่ากระผมจะรีบไปเดี๋วนี้ขอท่านอย่าให้เสือมาเลยกระผมกลัวมัน คืนนี้แทบปอดหลุดหายอยู่แล้วแต่ก็รีบไปที่พักของตนโดยไม่คิดถึงความกลัวความตายอีกเลยเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาไม่เคยปรากฏเสือตัวนั้นมารอบๆอบมองมอ ง, มองแถวบริเวณนั้นอีกเลยจนกระทั่งจากที่นั้นไปซึ่งก็เป็นเวลาอีกหลายเดือนถ้าคิดตามสามัญสำนึก ก็น่าจะมีอะไรมาบันดาลใจเสือตัวนั้นให้มาทรมานตาประขาวผู้เก่งกาจอาจหารผ่านพาโลทำในสิ่งไม่ควรทำเช่นยืนปัสสาวะรถกองไฟแม้แต่คนธรรมดาไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่คิดหานทำได้คนชนิดนี้ไม่มีอะไรจะเอาให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวนั้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้แกถึงได้ยอมจานวนอย่างราบ นับแต่วันนั้นมาท่านว่าตาประขาวก็ไม่เคยแสดงอาการดื้อดึงอีกเลยนับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมากทำให้เข็ดไปนานสิด้วยตอนนี้ขอแจ้เรื่องพิเศษลงสักนิดพอหอมปากหอมคอคือผู้เขียนเองก็คิดอยากได้เสือสักตัวมาอยู่แถวใกล้เคียงวัดป่าบ้านตาด เพื่อช่วยภาระบางอย่างให้เบาลงบ้างเวลาพระเนนแถนชีหรือผู้ใดก็ตามที่ขี้เกียจภาวนาขึ้นมามัวแต่นอนจะได้ช่วยให้ขยันขึ้นบ้างแม้ไม่มาให้เห็นตัวเสือแต่เพียงช่วยทางเสียงก็คงพอจะทําให้ตาตั้งหูกลางและลุกขึ้นภาวนากันบ้างไม่สนุกนอนจนเกินไปแต่ถ้าเสือมาอยู่ที่นั้นแล้วสุนักบ้านที่มาอาศัยวัดอยู่หลายตัว ซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนคนผู้ขี้เกียจปิดประตูและเก็บรักษาสิ่งของไว้รับประทานจะพากันกลัววิ่งแตกหนีหมดก็จะขาดกำลังทางหนึ่งไปความจริงเราอยากได้ไว้ที่วัดทั้งสองอาจารย์คืออาจารย์เสือและอาจารย์หมานั่นแหละจะได้ช่วยกันเตือนทั้งความภาคเพียนทั้งการเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้ดีๆ วัดจะสมบูรณ์ทั้งคนขยันทําความเพียรทั้งคนขยันเก็บรักษาสิ่งของต่างๆไว้รับประทานด้วยความปลอดภัยคงดีมากถ้าทําอย่างนี้พระเนนแถนชีตลอดบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นนักกลัวเสือและขี้เกียจเก็บรักษาสิ่งของต่างๆก็จะผ่านโมโหโอาจารย์เข้าให้อีกว่าไปเอาเสืออะไรมาทรมานกันไม่เข้าเรื่องก็จะยุ่งกันใหญ่ แต่ความจริงก็น่าจะมีอะไรมาคอยช่วยเตือนบ้างเพราะอาจารย์คนเดียวดูแลไม่ทั่วถึงโดยมากทางครัวที่คณะลูกศิษย์ฝ่ายผู้หญิงและอุบาสิกามาจากที่ต่างๆมาพักกันมักจะเสียเปรียบพวกสุนัขบ้านที่แอบซ่อนอยู่ในวัดเป็นฝูงๆขโมยสิ่งของไปกินเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และน่าเสียดายก็เป็นความบวกร่องซึ่งไม่อยากให้มี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 ขอย้อนพูดเรื่องท่านอาจารย์กับตาประขาวต่อไปซึ่งยังไม่จบพอเวลาต่อไปตาประขาวตั้งท่ากลัวเสืออยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนใจมองเห็นภาพเสือโคร่งตัวใหญ่นั้นอย่างชัดเจนตลอดเวลาและคิดเรื่องเสือจะมาหาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็นไม่มีเวลาสบายใจได้เลยมัวคิดว่าเสือตัวนั้นจะโดดผงผางมางับคอไปกินอยู่เรื่อยไปแต่ดีอยู่อย่างหนึ่ง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 จงรีบกำจัดความชั่วที่ซ่องสุมอยู่ในใจให้เบาบางและสิ้นไปจะไปสนใจอะไรกับเสือมันไม่มาทําไมหรอกเชื่อเราเถอะถ้าไม่ทําชั่วอีกเสือก็ไม่มาจงภาวนาให้ใจสบายเสือจะได้สบายหายห่วงไม่ต้องมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยขาดการหากินของมันไปเปล่าๆที่เสือมานั้นมันมาช่วยจุดแกขึ้นจากนรกต่หากเพราะการทาผิดของแก มิฉนั้นแกจะต้องตกนรกจริงๆเสือมิได้มาเพื่อตั้งใจจะกินถ้าแกไม่ทำชั่วอีกคอยรักษาตัวดีๆก็เล่ากันแต่แกพยายามและขยันภาวนาแล้วแกจะเห็นเสือเท่าที่เห็นและจะไม่เห็นมันต่อไปอีกเลยกระทั่งพวกเราจากที่นี่ไปนับแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นเสือตัวนั้นเดินผ่านกล้ามกลายแถวๆนั้นอีกเลยดังกล่าวแล้ว แม้จะมีเสียงกระหึมไปมาบ้างก็เป็นธรรมดาดังที่เคยได้ยินทั่วๆวไปไม่เคยมารบกวนให้ลำบากใจตาปะขาวก็ขยันภาวนาและสละทิฐิมาหน้าทุกอย่างกลายเป็นคนดีทั้งภายในภายนอกไม่มีที่ต้องตินับแต่วันเสือมาช่วยอบรมให้เพียงคืนเดียวจึงน่าประหลาดใจอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้สำหรับท่านเอง ท่านไม่นึกกลัวเลยแม้ตาปะขาวมาเล่าให้ฟังก็เฉยเฉยเสือตัวที่มานั้นเป็นเสือเทพบรรดาลต่างหากท่านว่าท่านอาจารย์องค์ น, นี้เป็นศิษฐ์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ลำพังองค์เดียวในป่าในเขาลึกอาศัยชาวไร่ชาวสวนเป็นที่โคจรบินทบาทเวลาท่านพักอยู่เงื้อมผากับตาปะขาวนั้นมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากกว่าที่อื่น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 จึงทราบว่าเทพบรรดาลให้เสือตัวนั้นทรมานแกเพื่อหายพยศไม่เช่นนั้นแกจะเคยตัวและแสดงความดื้อดึงไปเรื่อยทําให้เป็นบาปเพิ่มขึ้นเวลาตายแกจะลงนรกจึงได้รีบแก้ไขด้วยวิธีที่แกจะเข็ดลาบไม่หานทราอีกต่อไปท่านว่าเป็นความจริงดังเทวดามาเล่าให้ท่านฟังรอนนับแต่วันนั้นมานิสัยใจคอความประพฤติทุกด้านของแกเปลี่ยนไปหมด จนกลายเป็นคนและคนไปได้แต่ก่อนแกมีนิสัยดือดือยอยู่บ้างบางครั้งเป็นลนักษณะเหมือนคนไม่เต็มเต็งบ้างเราก็ไม่ค่อยถือสากับแกล่อยไปตามนิสัยของแกเรื่อยมาจนวันเสือมาดัดสันดานหยาบปราบความเดือดดึงของแกลงได้จึงได้ทราบชัดว่าแกมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาจริงๆไม่ใช่คนไม่เต็มเต็งมิฉะนั้นแม้ถูกเสือทรมานแล้วก็ไม่เข็ด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 ท่านขอตายอย่างเงียบแบบกรรมาฐานตายจึงเป็นความตายที่เต็มภูมิของกราปฏิบัติไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายเวลาประชุมเพลิงท่านก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยทราบกันเลยเนื่องจากท่านไม่ให้บอกใครให้ยุ่งไปมากวุ่นเปล่าเปล่าวุ่นกับคนตายหมดราคาค่างวดแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เหมือนวุ่นกับคนเป็นท่านพูดอย่างสบายง่ายๆอย่างนี้เอง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 ทราบว่าท่านจพํพภาษาที่นั้นหลายภาษาเหมือนกันที่นั้นผู้เขียนเคยตั้งเวลาดูตอนออกเดินทางกลับจากที่พักท่านออกมาหมู่บ้านกว่าจะพ้นจากป่าก็เป็นเวลาสามชั่วโมงยีสบนาทีพอดีจนถึงหมู่บ้านก็ร่วมสี่ชั่วโมงชื่อท่านว่าท่านอาจารย์ล่าภูมิลำเนาเดิมอยู่เวียงจันนับแต่อุปสมบทแล้วท่านเลยอยู่ฝั่งไทยตลอดมาจนวันมรณภาพ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 ท่านมีนิสัยมากน้อยสันโดษมากตลอดมาและไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มากชอบอยู่แต่ป่าแต่เขากับพวกชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมาท่านมีคุณธรรมสูงน่าเคารพ บ, บูชามากคุณธรรมทางสมาธิปัญญารู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมากแต่ผู้คนพระเนนส่วนมากไม่ค่อยทราบเรื่องนี้มากนักเพราะท่านไม่ค่อยแสดงตัว มีเพียงผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดีราวพุทธศักราช 2,493 ที่ผู้เขียนไปอาศัยอยู่กับท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนถามธรรมะท่านรู้สึกว่าทราบซึ้งจับใจมากท่านอธิบายปัจจญาการคืออวิชชาได้ดีละเอียดละออมากยากจะมีผู้อธิบายได้อย่างท่าน เพราะปัจจญาการเป็นธรรมะละเอียดสุ ข, ขุมมากต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติภาคจิตตะภาวนามาอย่างชำชองจึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้องเนื่องจากปัจจญาการหรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมากต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนาขั้นละเอียดเท่าๆกันจึงจะสามารถค้นพบและถอดถอนตัวปัจจัการคืออวิชชาจริงได้และอธิบายได้อย่างถูกต้อง ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้หนึ่งที่อธิบายอาวิชชาปัจญาการได้โดยละเอียดสุขุมเกินความสามารถของผู้เขียนจะนำมาอาธิบายในที่นี้ได้จึงขอผ่านไปด้วยความเสียดายท่านอาจารย์องค์นี้ท่านเริ่มฉันหนเดียวและเที่ยวกรรมฐ า, านอยู่ตามป่าตามเขากับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสามาแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันมรณภาพ ไม่เคยลดละข้อวัดปฏิบัติและความเพียรทางใจตลอดมานับว่าเป็นอาจารย์ที่เหนียวแน่นทางธรรมะปฏิบัติที่หายากองหนึ่งในสมัยปัจจุบันควรเป็นคติตัวอย่างแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงขอยุติเรื่องท่านไว้เพียงนี้ก่อนเขียนเรื่องท่านอาจารย์องค์นี้